เหมือนเราโฆษนาขายยาเรานั่นขายยาปวดห า, ายทันใจแล้วเนี่ยเราก็พูดตามคุณภาพแล้วไปใครปวดฟันใครปวดชีตากวามาซื้อยาแล้วก็โฆษนาของเราจะชื่อจะจะมากว่ามาไม่มาเราก็จไปว่าครับจะไปขึ้นไปว่ากับบ้านทำไมไปไม่ชื่ออุบายทั้งนั้นเนี่ยตัวธรรมะจริงๆใครจะมองเห็นไหมล่ ะ, อะมองเห็นไหมไม่มองเห็นหรอก ก็บอกมันมันไม่มีรูปร่างอะไรเนี่ยแล้วต้องเปรียบเทียบมันต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นี่อุบายทั้งนั้นธรรมะให้เขาไปรู้ตรงนั้นเนี่ยไอ้ธรรมะจริงๆมันจะเห็นอะไรมันจะมีอะไรไหมให้ให้ให้คิดดูสิอืมไม่มีคนจะให้ธรรมะจริงๆไม่เนี่ยมีจะให้อุบายให้รู้จักธรรมะเป็นอุบายทั้งนั้นอ่ะให้รู้จักธรรมะ เพราะธรรมะอันนี้เมื่อพูดตามส่วนแล้วนะ่ะจะให้คนอื่นดยตรงเนี้ยนอกจากอุบายเท่านั้นฟังคำพูดของท่านที่พระพุทธเจ้าท่านว่าอัคคตาโลตถาคตาถ้าตถาคตเป็นเจ้ผู้บอกธรรมะอยู่ตรงไหนละ่ะเออธรรมะอยู่ตรงไหนล่ะต้องไปพิจารณาอีกทีหนึ่งนะ แจ้ก็ท่านในท่านเฉลิมที่คนเชื่อกับบุคคลเชื่อคนอื่นใชด้วยท่านในท่านเสลิมท่านสนเสลิมถ้าบุคคลที่รู้รวยตนเองคือมันชัดถ้ารู้รวยตนเองเน่ยปัญหามันหมดถ้ารู้กับคนอื่นเนี่ยปัญหามันเหลืออยู่ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างคุณทั้งนายมาวัดวันเนี้ย คนนุณในมาแล้วปัญหาที่จะต้องถามมาวัดบรรณกรนอกอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรก็หมดวัดประพงษ์เป็นยังไงอันนี้ก็หมดพนเพราะคุณมาเห็ น, นด้วยตนเองแล้วถ้าคุณมาเห็ น, นด้วยตนเองถามแต่คนอื่นมา่ะชีวิตของคอุณมีอย่างน้อยเลยวัดประพงษ์เป็นยังไงเป็นอย่งัยงไงเขาอธิบายไปคนอื่นมาถามีวัดประพงษ์เป็นยังไงจนตายไม่รู้จักวัดประพง์ไม่ชัดเพราะอะไรเพราะไปฟังคนอื่นพูด เนะ่รู้ไหมรู้แต่มันไม่ชัดรู้รู้แต่ว่ามันไม่ถึงมันถึงมีปัญหาอยู่วันนี้พวกคุณทางหลายคงจะหมดปัญหาแล้ววัดประโภคอยู่ตรงนั้นวัดบ้านพอนอกอเป็นอย่างไรท่านอาจารย์เป็นอย่างไรไหมปัญหาอีกเหล่านี้พวกคุณทางหลายจบนะเพราะอะไรเพราะอะไรมาเห็นด้วยเองในตัวเอง จะเอาที่ไหนมารููอีกมันก็สุดแค่นี้แหละอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจะให้ภาวนาให้มันเห็นชัดกเจนตัวเองถ้าไปเชื่อคนอื่นอยู่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าจะเห็วนว่าคนยังงู่อยู่ยังงูเชื่อแล้วจะเอามาพิจารณาอีกให้มันเชื่อเกิดขึ้นขั้งที่สองตามเป็นจริงอย่างนั้นอืม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 เนะี่ยจะให้โจรไม่ให้กระทําบาปไม่ได้มันมีน้ําหนักปกตันอย่างนี้การทําบุญใครจะทําเป็นใช่ไหมคือมันเป็นปฏิ ญ, ญาณไปเป็นนานแล้ว mm. การทำบา ก, mm. การละบาปนี่เอาสิลองดูง mm. โจรทําไม่ได้ถ้ามันมีเปลีป่ยนแปลงเป็นคนดีะ mm. โจรมันให้ทานก็ได้ให้ทําอะไรก็ได้เอาของคนอื่นได้แต่ว่าให้มันละความชั่วจริงๆนั่นโจรไม่ยอม นี่เท่านี้ก็รู้จักแล้วที่การกระทํานี่กระือนกันการประพฤติปฏิบัตินี่กระือนกันนเอรการฟังมันไม่ค่อยยากแร้วการกระทำมันเป็นยากไม่ทํามันต้องเห็นด้วยการกระทําไม่ต้องเห็นด้วยการฟังแต่ฟังมาแล้วก็เห็นแต่มากระทําขึ้นหเห็นชัดกว่นาไปกว่านั้นอีกมันเป็นขั้นที่สองที่สามแล้ว มันจะไม่มีปัญหารเราเนี่ก็คงมีปัญหาอย่างนี้ตลอดไปเพราะอ่านตาราอยู่เว้ย응อาจารย์นั่นว่าอย่างนั้นอาจารย์นี่ว่าอย่างนี้นสาวอกองนั่นว่าอย่างนั้นสาวกองนี้ว่าอย่างนี้นน ง, งมตัวเราในปีนงในไม่ไดีจับนะอืพระโมกขนาอุตสันโกลีทําเหมือนท่านนั่ะภาษาดีบุตรอุตสันโกลีเจมันดีภาษาดีบุตดีพระโมกขนา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 งั้นก็ทิ้งไม่ได้ผมเจอแบฉันรู้จะฉันได้ไม่ได้ฉันรู้จะฉันได้ไม่ได้เมื่อฉันจะทําฉันก็ทําได้เวลานี้ฉันก็ยังไม่ทานะมันก็เอากันอยู่แบบนี้จะทําไงมันะอืในเวลานี้น่ะผมเห็นว่าย้อนหลังกลับมาอยู่เป็นปกติเฉยๆซึ่เป็นตัวที่จะาช้ยืดหกว่า อืมแต่า um> ทําไม่ได้นะครับใครคน <c oughs> มีศรัทธาก็มาที่พระขอพระขอปรมาทิ่จะทํากี่มาที่มาทํำกันเงียบๆสิไม่ต้องพูดมากเลยต้องทำอะไรมันมากเพราะมาปฏิบัติมันมากเท่านั้นแหละมันไ่เคยพ้อยเป็นมาดีๆนะ <c oughs> ถ้าเป็นแผลก่อนมันดีมันจะสวนลึกๆนะอย่าให้มันอย่าให้มันมาดีที่ปากแผลเลยอืมดีที่ปากแผลเนี่ยแต่ทาไงไหนไม่ดีอาเศษมากอยู่พาตาัดกันบ่อยนะไม่มีเหลือแล้ว เรามาตัดรากมันดีกว่าอืมไม่ใช่ว่าไอ้พูดธรรมะพูดอย่างนี้คนดูเดี๋ยวนี้มันดีได้ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเพราะฉะนั้มคงจะเป็นอย่างนั้นคงจะเป็นอย่างนั้นเมื่อถูกอารมณ์พว่มาคุมเหน็ดไว้เมันคุมมันอยู่ไว้เนี่ยตัวอย่างนี้เหมือนกันเนี่ยไอ้ตัวธรรมะตัวอย่างพระนิพพานที่เอาสิพูดถึงพระนิพพานอย่างเอี้ยสับพรนิพพานเนี่ยมันยุ่งไปเลย บางทีให้โทษพระพุทธเจ้าอพระนิพพานนี่ครับนพระพุทธเจ้าท่านดูแจ้งชัดทําไมท่านจึงพูดคุมเครือไปอย่างนั้นทําไมไม่พูดเลยผมแจ้งชัดด้วยละ่ะเนี่ยปัญหามันตรงนี้น่ดูดีดดสัมเพริปนิพานพระองค์ท่านพูดไปคุ้มเครื อ, อคือจะบอกคนชัดไม่ได้นั่นเองแหละอบอกคนชัดไม่ได้นั่นเอง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 เราบอกสีมันชัดเจนเท่าไรมันก็บอดอยู่ยังไงเนี่ยเพราะอะไรนะเพราะตามันบอดมันเองจะหาว่าเราไม่บอกชัดยังไงได้นี่คนมันะสีแดงมันจะเงี้ยพระพุทธเจ้าบอกแต่คนนั้นไม่รู้จักมันมืดไอ้มืดด้วยปัญญามันมืดยิ่งกว่ามืดตาบอดเลยนะอ่าเนี่ยไม่มีทางอะไรอืมมันไม่มีทางแล้ะไม่มีทางอืม เพราะว่ามันเป็นปัจจิตังเบติสะโพวินยูหิยินชูวินยูชนจะรู้เลยตนเองท่านบอกให้ไปรู้เลยตนเองอืมันก็หาว่าพระพทุทธเจ้าเอง่ถ้ารู้อย่างเต็มเจ็มบอกก็ไม่ชัดที่สุดมากอยากรู้ก่อนครับว่าที่จะพาเขาไปหรือให้เขาไปถึงนู่นเป็นยังไงแ น, น, น, น่นอนเดยทีน<า>น่ันีนน้ก็ตอบกนไม่ถูกนั่นแหละคือตอบถูกแล้ว<ๆ>เขาไม่พอใจอันนั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่เร า, าโง่เองหาว่าคนอื่นโง่ อย่างคนตาบอดบอกสีบอกสีให้มันชัดสิสีเหลืองคุณก็ บ, บอกว่ามันเหลืองแท่ๆไปถามคนตาบอดสิมันดูจักมหมยิ่งบอกคนก็นยิ่งไม่รู้จักนะเราจะแก้ไข ย, ยังไงดีเราต้องย้อนกลับมาจีตาคุณทําไมถึงบอดมาพูดถึงเรื่องลักษณะแต่มีกว่าขอให้ตาคนดีเถอะสีแดงสีเขียวผมไม่ต้องสอนหรอกคุณจะรู้เองมันจะเป็นในธรรมนองนี้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 มันไปในรูปนี้ถ้าความไอไอความคิดตรงคนเป็นที่นคนเรียกว่าไอพระพุทธเจ้าโง่ไม่จริงอ่ะนี่ไอตัวเราโง่ก็ยังบอกคนอื่นว่าโง่อยู่อะมันเป็นเรื่องไงฉะนั้นมันจึเป็นเรื่องการกระทำํำที่ถูกมันเรื่องการกระทำํทำธรรมะแท้ๆเนี่ยเรียกว่ามีอุบายทั้งนั้นอ่ะคุณ่ยังไม่เห็นอะไรอยู่ในท่าหลังเนี้ ผมเห็นพระพุทธรูปอยู่ในนั้นน่ะอยากจะให้คุณไปเห็นสรานพระองค์นี้ในในในในโบสถ์ทางนี้ผมจะต้องหาอุบายให้คุณเขาไปในสารานั่นนี่เห็นไหมเออบอกเท่านนี่นะ่ะพระพุทธรูปยันจะโบสถ์เป็นรูปนั้นสถานนี้ให้ขอคุณเขไปในสาราเถอะคุณก็ยังไม่เชื่อต้องหาอุบายทั้งหลายให้คุณเขาไปในสารานี้เท่านั้นแหละเมื่อคุณเคไปถึงาราแล้วไปเห็นพระพุทธรูปแล้วคุณจะนิสยัย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 เป็นปัะประมะบุคคลใครเป็นปัจฉะประมะบุคคลไทยไหมคนไม่ได้เรียนหนังสืออะไรไหมจบร็อกเตอร์เลยก็ยิ่งเป็นปัะประมะนี่เห็นไหมเออคนอยู่ป่าก็เป็นได้คนอยู่ป่าไม่เรียนอะไรก็ดูธรรมะได้ไม่เป็นปัจฉะปรมะเป็นอกุกติจตยอยู่ได้เลยคนอยู่ตามป่าม่ตรงเรียนอะบางคนนะไม่ตรงเรียนมากเาอาศัยการเรียนอย่างเดียวไหม ถ้าเราเรียนจบจนศาสต์ทุกอย่างจบล็อกเซอร์ก็ยิ่งไม่เชื่อใครทั้งนั้นอ่ะยิ่งเป็นพระธปรมาถึงสูตรก็ได้มันจะเป็ น, เ ป, นเป็นทองนี้ทํานองนี้เขาพูดธรรมะมันต้องไปอย่างนี้อืมมันยากคนคนผมพิจารณาแล้วว่ามันยากมันยากสายเพราะคนมันไม่รับมันชอบชอบง่ายๆําเดียวนี้ผมอย่างไรอย่างนี้ผมไม่ต้องการเดินชา้าต้องการเร็วเร็ว เคยมาถามผมบ่อยๆนักศึกษามาลุงพ่อจะทำไงมันรู้เร็วเร็วอ่ะเร็วที่สุดทําไงเร็วที่สุดก็ไม่ต้องทำกันเท่านั้นแหละก็เร็วแล้วนั่นเลือกกันเท่านั้นเนะนี่คือเร็วที่สุดละกมเลืกกันเท่านั้นเนี่ยมันจะเป็นอะไรแต่ก็ทําอย่างนั้ น, นอืม <c oughs> อ้าวที่ลองดูสิละ <c oughs> อืวะอือ แม้เดี๋ยวนี้จะพูดว่านักปฏิบัติทะเลาะกันเองนี่เยอะกแต่ว่าได้ครับเพราะว่าแต่ละทัศนค์ของสำนักเนี่ยมีมาไม่เหมือนกันนับวันนับวันอแล้วสมถะก็ยังทะเลาะกับวิปัสสนากันอยู่บ่อยๆอย่าไปเสียงเขาเลยผมไม่เสียงผมไม่เสียงใครละเออที่คนเน้นเขาเอาถึงร้องไม่ตรงมากผมทําอย่างนี้ท่านคุณทอบใจก็ทําไม่ทําก็ ก็สั่งคนผมทําอย่างนี้มันมีผิดกฎหมายข้อ ง, องวันเมืองเราผมก็ทำผมผมไปอย่งนี้อยู่สบายแลยก็เอาถูกไม่ถูกไม่รู้เรื่องผมเห็นอย่างนี้ออาเด็กเยจะสมถะแลอะมีปรัชนาเยอะยุบหนอแล้วพองหนอแล้วพุทโทเทมโมเรวุน้นเยอะก็เป็นว่ากันหมดทั้งโลกเท่านันแหลลองดูสิอ่มันเกินไปพวกเรามันเกินไปนับวันะนับวัน แต่ว่าคนชอบเหลือเกินชอบอยากปฏิบัติชอบเสียงชอบถามชอบอะไรมุ่นตัวนิดนิดมันก็ชอบถามชอบภาวนากันอย่างนี้คืออะไรนะไฟไฟจุดมันอาไฟ จ, จุดจูดมันร้อนร้อนไปดูจะแช่ไข่ตรงไ้นเห็นไหมา ก, การทำโฟมเพียนนี่มันสงบเห็นว่าการทํำสมาธิมันสงบมันก็นึกว่าเออเออว่ามันสงบไปท่างงบไป มันก็คิดว่าไปนั่งมันจะสงบเลยจริงมันก็ไปนั่งพอนั่งคุกตำรวจจิตเป็นหนึ่งมันยิงไฟกันใหญ่เลยทีนี้เห็นไหมเออไม่ใช่หรอกพวกนี้โ 6, กหกผมไปนั่งอยู่แล้วสมาธิจิตผมมันไม่อยู่เลยวุ่นวายยิงยิ่งไล่กว่าเราไม่นั่งเลยพวกมี้โกหกสรรมฐานแม่เห็นไหมล่ะจะทําไงมันอ่ะอเราอิด มันเป็นซะอย่างนี้ซะมันเป็นเพราะความอยากปัญหาของเราพราะความหลงของเรานเองละ่ะอืมไม่มีแล้วดูในครังพุทธการดีลองๆไปดูไปดีท่านปฏิบัติยังไงทํำยังไงอืมเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นไปอ่านหนาังสือฟังแล้วสมัคสอนกัเท่านั้นแหละในู้กอาความกรู้จากไหนมาสอนแต่จากตำรามพิษก็พิ ด, พดไม่รู้เรื่อง คือไม่เสียจากผิดของพองเคยเห็นั้มอ๋อไอ้ผู้บ้านะน่ะผู้แทนนะไอ้ผมเป็นคนดีช่วยไม่พ่อหน้าสาวทุกคนทุกคนเลือกผู้แทนมากี่ปีมาแล้วนะดีขึ้นยี่เดียวเหลียวแต่เพราะอะไรเนี่ยเพราะคนอยากไปเป็นผู้แทนอืมใครจะไม่อยากขึ้นไปเป็นอย่างนั้นต้องอยากทุกทีธรรมธรรมราคนอยากมันก็ต้องเป็นอย่างนั้น มันคุมความอยากไม่ไมด้ไ อ, อคนมานี่ไอผมดีที่สุดแล้วใครก็ดีที่สุดจะทาให้ดีที่สุดเชื่อทุกคนเอาทุกคนแต่ว่าพึ่งที่สุดแมันจะลอต้นตลรอปลายไหม น, นี่คือผุุ้โชนไปเป็นผุุ้โชนไปเป็นไปทํามันก็เป็นเรื่องของอย่างนั้นอันนี้ไม่ใช่ให้โทษเพราะเรามันเป็นอย่างนั้นอืนี่ถ้าเป็นพระอาหารหันต์เนี่ยเขาคงไม่ใชเป็นเนาะมีวุ่นวา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 มันก็เป็นเรื่องของอย่างนี้แหละอย่าไปคิดเองมันมากมายเลยอืมเราหาความสงบคือคิดไม่ถูกปุ่มมันอืนี่เป็นเรื่องอดทนเยอะนี้มันอดไม่ไหวแล้วมันจะแตกเองอนะแต่ก่อนอยู่ในรูมันร้อนอดทนเนยอะนี้มันทนไม่ไหวเลยนะีนะมันต้องมันต้องใส่ออกมาออ ก, ออกมาขนอกรูละเยรน อ, ออกมาจากป่าออกมาจากสถานที่ออกมาพูดกันแล้ว มาจัดแกงตามเรื่องของมันเนี่ยมันอยู่ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวนี้ยอย่างนี้ไอ้คุมที่รู้ที่ว่านับถือพุทธศาสนาทหวันเนี่ยพุทธวิสาร์เองละ่ะมันไม่ถึงจิตใจของเราหรอกไม่ถึง จ, จิตใจจิตมันไม่เป็นพุทธศาสนาสักคนน่ะน้อยถ้าอาจารย์เป็นพุทธศาสนาใช่ไะบางคนฝรังมันก็ยอมมันถามนะ น้องพ่อเรียนมารู่มาดีแล้วทำไมจะมาอยู่ในป่าเนี่ยอยู่ในป่ามันคนส่วน้อยมจะเอาเราไปฆ่าเห็นไหม <Okay. S 1> ต้องไปอยู่ในกรุงในเมืองหลวงใหญ่ๆโปรดประชาชนมันจะเล้ยง่วงหวงดีเนาะอืท่านอาจารย์มาอยู่ในป่าเพราะมันมีประโยชน์น้อยเพราะคนมันน้อยมันจะรอ mm. ะเราไปฆ่าเห็นไหมเราไปพูดอยู่ในที่จเจริญกว่าเป็นบ้าอย่างนั้นะ ภากพี่บ้ามาแล้วภาพพีบ้ามาแล้วภาพพีบ้ามาแล้ ว, ลลว อ, ะอะไรก็ไม่เป็นของตัวของตนทั้งนั้นบ้าทั้งนั้นใครก็ว้าบ้าเ<ม>ท่านัังมันจะโกหกเราไปฆ่าเห็นไหมเห็นไหมบางคนก็ไม่ฟังก็เข้าไปเลยจะไปแก้สถานการณ์อันนี้น<ม>จ้าอาจารย์สอนฝรั่งเรื่องลิขิตว่ า, าอย่างไราะไม่สอนนอกใครมันจะหกฉันนะ<ม>่ะใครมันมีความาขึ้นเท่านั้นน่ะไม่แต่สอนมันมมีตัวมีตนนอ อคุณจะต้องทําอย่างนั้นเป็นว่าผมสอนก่อนให้คุณอ เ, คเอาเก้ยวเวที่มาตั้งไวน้นี้สองนาทีจะ ย, ยกมาตั้งเดี๋ยว่อสองนาทีเมด่สองนาทีก็ ย, ยกมาตรง น, นี้ให้คุณทําอย่างนี้อืำทําทําไมอย่าพูดสิให้ทําอย่างนี้ก็พอแล้วพูดไปทําไมามีพวกรูมันจะเกิดจากนี้ อ่ามาถามผมทำมันเป็นอะไรอยังมาเพูดสิคุณมาเรียนนี่หน้าที่ของคุณจะต้องยกแก้วใบนี้มานี่ยกมเท่านั้นเองปัญญาจะเกิดตรงนี้เห็นใจไหมอืมเนี่ยมันจะยกทำนี่ไหมยกทํานี้ทาอยู่หลายเดือนหลายปีทําให้เกิดอะไรเนาะมันก็เกิดปฏิจจิยาึเกิดความรู้สึกขึ้นนี่สิเห็นไหมปัญญาก็เกิดสิมันทุกข์นี่ เดิมาถามเราทำไมกาลังทำอยู่ไม่มาถามอะไรเลยอนถามได้ดิหน้าที่ของคุณไม่ต้องถามผมเลยไ้คุณทำเท่านั้นะผมสอนอะไรอย่างคุณต้องทําอย่างนั้นเท่านั้นนเรื่องเงินไม่มีหน้าที่ของคุณมีเท่านั้นอยายกแก้วไว้นี่มาตั้งนี่สองสองนาทีหมายความอยังไงเดี๋ยเขากยกไปตั้งสองนาทีแต่ยกไปยกมาอย่างไงอน่าม า, าถาทํามทำอย่างนี้ให้มันเป็นอะไรทาส ม, มัยอย่ามาถามเลย หน้าที่ของคุณให้ทาอย่างนั้นทอเนาะเดี๋ยวทําไปมันก็เกิดความรู้สึกเองมันนะมันจะรู้สักเองมันถ่ามันต้องนั่นตงต้องทนนะคนทนไม่ต้องรู้อะไ ร, รอย่างนั้นอืมเน่ยจะรู้ในตอนเบื่อใช่ไหมเออไม่รู้ล่ะทําไปเยอะถ้าทนน่ะถ้ามันจนรู้แ่้มันจะว่าตอนไหนก็สั่งมันเถอะอย่างเราประาวนาไปทุกวันนี้เหมือนกันะเรา ผมว่ามันเห็นอะไรขึ้นมาในอารมณ์ทั้งหลายแต่ออันนี้มันไม่แน่เพรานี่ก็พอแล้วอารมณ์ดีเกิดขึ้นมันไม่แน่แอารมณ์ร้ายเกิดอึ้นี้มันไม่แน่ไอคนนั้นน่ารักเรารักมันไม่แน่ไอคนนั่นเดินกับมันมันน่าน่าเกลียดมันไม่แน่เมันกันนี่ยัยมันเข้าข้างไหนทั้งนั้นเน่ยไม่แน่ถึงเรื่องมันไม่แน่แต่ไม่ได้เขาเรื่องแน่เพราะมันดีนี่ถึงนะเอออันนี้มันก็ไม่แน่ ดีเกินไปหรืคุณจะสมัยนั้นเกิดโทษชั่วเกินไปมันดีไหยไม่ไปเนียการอยู่นี้มันจะเป็นการมาสุขานิการโยโคในตัวมันอัตยธรรมทถาโยโคในตัวมันนะถ้าคุณวางทางดีทางชั่วคุณจะไปอยู่ตรงไหนล่ะดูเท่านี้ก็พอแล้วมันก็ไม่ไปดีไปชั่วเท่านั้นมันจะเป็นอะไรมันก็ไม่เป็นอะไรเท่านั้นเนี่ยใครจะกำหนดได้มัมนะใครจะมารูได้อย่างนั้นก็ต้องทําอย่างนี้อืม ลองลองดูสิจะเห็นว่าสิ่งทั้งหลายมันไม่แน่จริงๆงแล้วนะ่ะเราจะไปะยึดอะไรมันนแล้วก็วางมันไปไหนให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันทิ่ส่วนแก้ไขก็แก้ไขพอสมควรไม่ต้องดีใจไม่ต้องเสียใจมันอันนี้มันกว็ไม่แน่อันนั้นก็มม่แน่มันก็หมดราคาแล้วทีของมันไม่แน่นเข้าใจไหมใครจะไปเอามันแล่ะอันนั้นก็ของเสียอันนี้ก็ของเสียใครจะไปงมมาของเถีย อ, อยู่นัก อันนี้มันไม่เนนั้นม่นด้วยจะไยึดมันไหมมันมันทำไมมันไม่แน่เรารู้มั้ของหมดราคาแล้วนั่นเอาไปทําไมเมื่อเราทิ้งทั้งสองอย่างเมื่อเข้าทางมันจุงไอเรื่องที่มันไม่แน่น่ะมันบังคับให้เราเข้าถึงผมแน่มันต้องทําอย่างนี้ครับของ่าถ้าใครทำอย่างนี้เอาเป็นเป็นเลยภาวนานี่ไม่ต้องไปเรียนอะไรมากมายแล้วครับอืมเดินไปธรรมยูธรรมจาด้วยไม่ต้องบังคับอะไรมาเนี่ย วันนี้มันสั่นอาหารอร่อยดีสุดน่ไม่แน่เราทานให้มันทานควรมันเลยนี่อาหารนี่ผมไม่ชอบเลยไม่แน่เหมือนกันนี่จะไม่ไแน่จะไม่รับเอามันทั้งนั้นเนี่ยอะไรตัวไม่แน่ไม่แน่สังกวมันกูวางของไม่แน่อย่าไปทําใหม่นะมันก็ลงทางที่มันแน่เท่านั้นแหละอันนี้เราไม่ทําไปห้าถามคนโน้นคนนี้ใครจะรู้บอกมันทำไมด้มันไปเกิดสกปรกของเจ้าของแล้ว มันเป็นเรื่องของอย่างนี้ลองลองลองดูสิยอมดูมันก็ต้องเป็นอย่างนั้ะพระพุทธเจ้าไม่เอามากหรอกพอทีละคนสองคนเท่านั้นแหละเรื่องแรกมาตอนมีปัญจาวัคคีห้าเท่านั้นแหละเรื่องที่ปล่อยอะไรมากมายหรอะแต่มารู้ถึงในการประทรรมถ้าคุณมาทํามูเนียชาคุณเห็นความจริงแบเนี้อย่างว่าทําไปมันได้แก้วไว้นี่เกิดขึ้นมาเนะ่ย คุณเห็นทัดในแก้วใบนี้เปิดขึ้นมาอย่างนี้สมมติว่าคุณก็ต้องดีใจแล้วเนละต้องพยายามละชีวิตทําให้ในแก้วใบนี้ไอคนอื่นเขาไม่รู้จักทําทําไมเขาไม่รู้จักเขาก็ไมีนิสชาแตาเราคือเห็นแก้วใบนี้เราก็ไม่ถอนเราคนหนักก็ไปด้วยนี้ด้วยนี้เท่า น, นั้นเน่ยมันเห็นผลเพราะแก้วใบนี้คนไม่เห็นแต่เราเนี่ยเราเห็นตัวคนเดียวั การปฏิบัติมันเกิดหรือมันเห็นเราคุยเยี่ยงขนาดนี้จะพูดให้ใครฟังล่ะพูดให้ฟังก็เขาก็รู้แต่จะเขาไม่เห็น<ม>นาะนี่มันเป็นซะ อ, อย่างนี้มันขาดไปอย่างนี้เราเห็นว่าอันนี้มันไม่ได้เรากระเที่เหมือนกันผมวามาอุตส่าห์ทำอย่างเนี้ยไม่ต้องไปคิดไปอะไรมันมากมายแล้วเอาศีลสมาธิปัญญาของเราพร ะ, พระวินยัยเราเนี่ปฏิบัติตรงนี่ล่ะมันจะมาได้แง่รูปไหนอาจารย์อะไรก็ช่างมันเถอะ สอนก็สอนหาอุบายให้รู้จักทางเท่านั้นอ่ะให้เขาไปทำหาอุบายให้มันทำอย่างนั้นให้มันพอใจทำกันอย่างนั้นมันจะรู้เองมันถ้ามันพอใจทำนี่มันไม่เห็นนะเฮออจะนี่ไปที่อยากเร็วมันมันเป็นปัญหาหรือเปล่านะครับครับรับครับแต่ก็อยากจะก้าวหน้านั่นแหละมันติดตรงนั่นแหละมันจะก้าวเองมันติ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 กำลังรากมันจะออกไปไปถอนพาดอยูแหละจะปลูกไดนไม่ดีมันก็เช่าคนมั น, น, ะนจะไปเล่นเอออันนี้มันไม่โต น, นานโตอ้าวดินตรงนี้ก็ไม่ดีอีกในถอนไปถอนไปในตายเลยมันต้องกินตผนไม้ไมันก็กินผลไม้ท่านอยากเร็วทําไมท่านอยากฆ้ามันก็เป็นตัญหาท่านอยากเร็วมันก็เป็นตัญหานี่ท่านจะปฏิบัติตามตัญหาหรือที่ปฏิ บ, พบพัติตามพระพุทธเจ้าก็เอาสิ ลองดูสิก็เราเดินในถูกเองของเราเนี่เแล้วต้องใช้ความอดทนไว้สี่ทาที่เราอืปฏิบัติธรรมะสิถ้าถ้าถึงที่มันจะธรรมะไม่นี้เลาวไม่ต้องปฏิบัติไม่ต้องอดไม่ต้องกั้นที่ท่านกาลังพยายามเนี่ยท่านยังปฏิบัติธรรมะท่านยังไม่ถึงธรรมะท่านเอาธรรมะไปเป็นคู่มืออยู่ตอนนั้นเนี่ยเมื่อท่านวางแล้วนั่นไม่ต้องอดไม่ต้องกั้นไม่ต้องอะไรแต่มันหมดนั่นเป็นธรรมแล้วนั่นใช่ไหม อันนี้เดี๋ยวเดมันช้าไปเดี๋ยวมันไวไปเดี๋ยวมันช้าไปเ ม, มันไวท่านจะรีบไปไหนล่ะนให้หยุดสิให้หยุดดูให้ยดดใหยุดทำสิอันนี้เพราะปัญหานั่นแหละมันส่งตัวเราไปไม่ถึงที่มันนะ่ะอยากจะเป็นโน้นอยากจะเป็นนี่อยากจะเป็นนน้นอยากจะเป็นไม่อยากจะนโ้นไม่อยากเป็นนี่อยากเป็นโน้นอยากเป็นนี่ไม่ใช่ปัญหาดเนี่ยอย่าพูดโดยปัญหาอย่าทำโดยปัญหาอย่าคิดโดยปัญหาอย่ากินโดยปัญหาอย่าทําด้วยตัญหาเนี่ย เรามันทําด้วยตัณหาไปทั้งมดทั้งรุ่นมันี่ใจมันพบไปโนล์จิงเมื่อไรใจหมูเมื่อไรก็เราเลี้ยงมันไว้ทุกวันนะเอาอาหารให้มันกินทุกวันตรงอยากให้มันตายกินมันจะโตคนเท่านั้นลองดูสิเราไปคิดดูทุกวันเราทําเพราะอะไรนี่ถ้าไม่สมัยมันจะทําด้วยตัณหาทั้งนั้นน่ะสันตลองดูสิให้ไปคิดดีๆก็ไอไปดูดีๆก็เออศาสนาวางมาทำหยุด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 ขยันเขาต้องทำาตามทำก่อนของท่านมันจะเกียรตวันมันจะขยันสวันดูลักษณะมันจริงเนี่ยก็ขยันอย่างเนี้ยก็สีเกียรมันเกิดอยู่อย่างนั้นถ้าเราทาตามใจคนละสีเกียรติเราไม่ทำขยันต้งทำนั่นแหละเด็กกลบับเด็กกลับจะหาทุกกวลาไหนไปคิดถึงนะสี่เรตาดูนะ ก็ตามดูกันมานานแล้วครับปวดนี่ผมก็ตั้งใจที่จะลาบมานี้อยู่นี่ตามดูแล้วรู้สึกว่าแหมมัมันดอยนะแล้วผมและส่วนมากนะครพระใหม่ใหม่ที่บวชนะฮะมาจากสายปริบประทานครูบาอาจารย์นั่นแต่หลวงปู่มั่นเป็นต้นมางต่างก็เห็นว่าครูบาอาจารย์ที่ท่านสําเร็จทำนั้นท่านแรกมันคือความลําบากเออเลยวิ่งไปหาความลําบาก ท่านทากันอย่างไงเนี่ยนะในครั้งของพระพุทธเจ้าของเราจะัดจักจรู้ไหมท่านไปนั่งอีู่โนโคธิ์นะหท่านเป็นชั้นอาหารสีวันเท่านั้ท่านอดท่านมีความปรารถนาอย่างไรไหมนั่งอยู่ที่นี้ใจ่ไหมสมเร็จพระรหัสจตสมาสัมพุทธเจ้าจะไม่รู้จักทิ้นนี่เลยเอา่าเลือดมันจะไหลออกมาหนังมันจะแห้งกว่าช่างมันเถอะยอมรับเลยอันนี้มันเป็นคําของพระพุทธเจ้าเรามีศรัทธามาบวชเน่ย ปัญญาไม่มีพอไปอ่านหนังสือถึงตรงนั้นโอ้พระพุทธเจ้าทำเก่งกว่าดีเราก็เอาอย่างนั้นนิดนะึเอานะนะพอบวชพรรษายังไม่ถึงพรรษาหรอกบวชจูงศพกันเหมือนกั น, น, นไปอ่านถึงนี่หรือไปทำเลยหยุดทูบลงสักดอกนึ่งสักไม่ต้องเอาหลายแล้วเอาทูบสักดอกสัะถ้าถ้าทูบนี่ไม่จบุบจะไม่รู้จากที่นี่เลยมันจะตายก็เห็มันตายมัจ้จ้ะ ไปเอาคำของพระพุทธเจ้ามาว่าปริธรรมใส่ใส่เข้าไปเต็มที่เลยนะทุบยังไม่เลือกกี่เซนเนะี่ยเท่านี้นึกว่ามันสามชั่วโมงแล้วเหงื่อมันไหลแล้วลืมตาดีตามาดูโ อ, อ้แม่ตายสมุดนี้ทำไงรับก็ไ ป, ปอีกสองทีสามทีทุบก็ไปหมดเลยไม่ไห ว, ว <c oughs> นะเราเจ็บโดยตายบุญวาสนาไม่มีนะ่ะไปคิดเอาอย่างนั้นเรานะ่ะ ออเออพระเจ้าจันทร์ทมาเท่าไรเมื่อไรผมมเเาอมองดูแลถ้าพระเจะาองค์อยากจะนี้ไม่อยากจะปดตาถึงไห ม, มท่านพิจารณามาแล้วมแม่ศ า, าสตร์นี้นะธรรมคิดมันหนักมนะันหนาไม่ใช่มันมืดอะไรมันพ้นมืดไปนู่นพูดไปรู้เรื่องขนขาดนั้นท่านพิจารณาไป่ึ่งพิจารณาหลอกบวัวสีเราอนะ่็นไ ใช่ไหมทันทิ้งอุตสามาโปรูสัตว์นี่เราก็ไม่ถึงนั่นหรอกเรามาพิจาาจะให้เรามีสิ้นห้ากันดันลองดูสิยังงี้ไหมเทียบไปจสิ้นห้าเนี่ยถ้าว่าไม่ไหวอยู่ในโลกเปล่าอย่างน้อยก็ทาอะไรที่มันมีสำคัญนี่อือก็ให้มันงดกันซะเท่านั้น ไม่มีรถไม่มียอนในอยู่อย่างนั้นเนี่ยเป็นนายขุนยิ่งทําไปอะไรก็ยิ่งทํากันไปเรื่อยๆจนเลยเรียกว่าไม่มีนี่เราทำในใจของเจ้าของเจ้พูดเป็นเ่ะกราบก็บเป็นไหวก็เป็นชวดก็เป็นอะไรก็เป็นเป็นหมดเลยเจ้าใจมันไม่เป็นเอืมห า, า, มาจะไม่เป็นมหาจะไม่ศึกมาไม่ปฏิบัติสิ่งธรรมเออ ฐานรู้แล้วจะปฏิบัติมือในก็ได้เดี๋ยวนี้เป็นโลกแลก่อนเปลี่ยนไาเป็นนี่จะ ท, ทำไงมันถ้าพูดอย่างเงี้ยมันเย็นนะเราจะไปอะไรมันมากมายเยอะอันนี้เราเข้าใจว่าโลกนะแล้วอย่าไปทําให้มันเสมอจริเราดูมือเราจริง ท, ทำไมมันไม่เสมอกันถ้าเรามาคิดว่ามือของเราทําไมไม่เสมอ น, นะ คิดไปเยอะกว่าเป็นบ้านะอยากให้มันเสมอกันใครเื็นคนทำเนาะทาไมมันไม่เสมอกันนาะมาคิดแบเนี้ยอยากให้นิวมือคนเกิดมาให้มันเสมอกันทุกคนถัาหนูก็เป็นบ้าแล้ยนะอันนี้คือความจริ ง, งธรรมชาติมันจะนี้เนี่ยมันมีประโยชน์ทวนของมันแล้วเ น, นี่ยมือนี้มันประสานนี้มือประสานมืนอประสานยาวก็ทิ้งมันไว้อย่างนั้นเอาเท่าที่ควรมันจ้นะ นิ้วสั้ น, ม, น ม, มันจะมันจะมีประโยชน์ไงอย่างน้อกจะแฉกินจมูกก็ได้ไม่ต้องเอาไปอะไรมากมายหรอกมันมีประโยชน์ทุกอย่างเนี่ยอันนี้คนคนทุกคนอยู่ในโลกมันเป็นอย่างนี้เดี่ยวไปจัดเป็นเหมือนกันทุกคนอลองลองดูสิพระพุทธเจ้าสมัยนีน้เอาจริงที่ควรได้ถ้าหากว่าเขายังไม่เชื่อเรานั่นครูบาอาจารย์บางคนก็เรียกว่าคนมันเขามันโง่ไอ้ความเป็นจริงเราเนีะโง่ มื่ไหรกุบายเขาไม่ทัดเรต้องภาวนาเขาที่จะทําอะไรมันเชื่ออย่างอื่นทาไมเขาเชื่อล่ะเขาไม่เชื่อเราเขามันจะไม่เชื่อเราทางมันเมาเขาจะไมเขาเชื่อเราไม่ดีกว่าเราเด้อแล้วต้องปรับปรุงตัวเราขึ้นให้มีปัญญาหาอุบายสอนคนนั่นดีท่เราดีนะจะทุงไปตัดเหตุคนเปไม่ังไโลกเ็นยังี้พระพุทธเจ้าหลายพระองค์ ก, ก็ทิ้งอยู่เนี่ยโลกันไปหอบไปที่ไหนหรอกงั้นมันจะหมดเชื่อมัน บันเป็นข อ, ของมันอยู่อย่างนี้ฉะนั้นอย่าไปห่วงมันมากเลยเอาพอสมควรซะเอาตัวและเอาคนอื่นที่พอเอาได้จะเอาไปริงที่คนทิ้งก็ทิ้งสิ่งที่คนเอาก็อเอาอย่าไปเอาทั้งหมดไม่ได้หรอกบางคนคนึิว่าเออจิตของเรามีศีลธรรมนี่จะไปพูดถึงมีศีลธรรมทั้งหมดพูดง่ายอย่างอนามเสนาสารเห็นไออจะพูดอนามเสนาสารไม่ฟังน่ะ เคยมาฟังธรรมผมเั็นเกยเป็นโยมนั่งเงยบๆเกย์ย อ, กอยากจะทํำให้มันลาบหมดทุกคนนี่นี อ, อะว่าเออไอคนนอนเนี่ยบัญชีมันคิดเกินไปนนคิดเกินไปเขอยากจให ม, มันเรียบร้อยนยไม่ทําอย่างนั้นก็ไปทําดีกว่าถ้าตั้งเงินจะผมก็ปล่อยไว้ถึงมันแกมาบวชที่นี่มสมุนธ์ เทพในประชาชนนี่เชื่อมั่นเนี่ยเออมันจะตายอะไรตัวนี้นะคนทีมม่บอกว่าไอ้งัวสองตัวมันลากเปลี่ยนลําเดียวงัวสองตัวมันลากเปลี่ยนลําเดียวมันช่วยกันลากมันก็เบา อ, อันนี้เราไปคิดเปนนี้หละงัว งัวสองตัวไอ้ตัวนั้นมันไม่เร็วเราเร็วคนเดียวเราลากลากลากงัวตัวนั้นอีกลากเวียนลำหนึ่งอีกงัวตัวเดียวลากเวียนลำหนึ่งแล้วก็ลากงัวอีกตัวหนึง่งมันจะไปทิ้งแค่ไหนลองอื ม, มถ้าหากว่าถ้าเราเร็วเราหย่อนเข้ามาณสักหน่อยหนึ่งให้งัวตัวนี้มันเสมือเราเ้าก็ไม่หนักม่นก็สบายอย่างนี้ย ถ้าเราดึงไปคนเดียวดึงไปดึงไปคนเดียวเนี่ยไอ้ที่เราดึงไปนี่นะมันเสียนทางลำหนึ่งหัวอีกตัวนึ่นะลากไมันหนักหรือมันเบาถ้าเราถอยมันไปเสมอแบบนี่มันจะดีกว่าดีไหมอ่าจะเป็นงอสองตัวลากเสียนลำเดียวกันมันจะเบากว่ามนะั้งเบากว่างัวตัวเดียวลากลากเสียนลำหนึ่งถ้าลากงัวอีกตัวนหนึ่ง นะวันหนังกลับมาอันนี้ไปจัดใจของท่านก็ท่านไปทําแล้วอืนั่งภาวนาคืนนี้อย่านอนเนะอุบาสิกาคนนี้เนาะอย่านอนมันอยากนอนพี่คนนอนมันนอนเออมันอนอนเพราะว่าเขาทำไม่เก่งไม่จังใจทุกคนมันเป็นยังไงหลายคนเนี่ยก็ไปนม่ไหวะตะโกนเยื่เยื่ดยืดดึงมันก็ไม่ไปมันถึงแค่นั้นเนาะ ก็ถึงเป็นเหนื่อยที่มันเหนื่อยมันเหนื่อยมันนะถ้ามันเหนื่อยมันคงจะนึกถึงตัวเราเดีวมั่งเอออันนี้เรามันลากเกียนอืลำหนึ่งเดีวมั่งลากงัวอีกตัวหนึ่งนดีมั่มันจะถอยถอยกลับมาไอ้งัวไอ้สองตัวมันลากเกียนลำเดียวกันไม่ดีดีนี่วันนังกลับมานั้นถึงจะสุดสัอยากจะมาฟังธําผมล่ะเพราะไม่มีธรรมแล้ว นี่เป็นอุบายพูดแคนนะั้นแหะลองลองดูสินี่วันยังไม่ถึงเวลานั้นจะทำยังไงมันเล่าอลูกเราเลี้ยงเด็กมาเกิดวันนี้พงศีอยากให้มันโตทํางานได้ช่วยพ่อแม่มันโตไม่ทันเราจะทํายังไงมันก็เรื่องมันเป็นอย่างกเงี้ย้มันโตมาคนที่ไอ้คนที่สองมากเกิดมาวันตรงไหนมันโตขึ้นมาช่วยกันงานกัน ก็เป็นบ้าหมดทั้งโลกนั่นนี้มันไปในรูปนี้เดียวนี้จะเอาตรงไหนได้คือตันหานั่นเองตันหานี่มันอยากมันบังคับให้มันวิ่งตลอดเวลาไม่มีเหตุผลจิตใจต้องคนทุงวันนี่การทองชีพหรือการอยากอยู่หาเงินหาทองกินอ่ะถ้าไม่อยากทำทำไปน้อยได้เงินมากมากดี ดีก็น่าญีไม่ต้องท้ำด้วยให้ได้เงินเรื้อยๆน่ดีถ้าได้มีคนจะยกมือทั้งโลกเลยนะนี่พรพุธเจ้าอง์ท่นานบอกว่าเออต้องขยันมันเทีย็นรู้จักลายรับรู้จักลายจ่ายอืมเนี่เราไม่เอาอย่างงั้นดิไม่เอาอย่างงั้นการซื้อขายอยู่กินทั้งตัวให้รู้จักหมด ไม้ดูจับประมาณทั้งนั้นเน่ยที่เราเป็นคนไม่รู้จักประมาณกันเพราะเด็กก็ตันหานอืมเนี่ยก็นับบันเทิงจะได้กันอย่มังมันไม่มีอะไรเงินเดือนผมก็ไม่พอคนนี้ก็ไม่พอเงินก็เอาเงินไปให้คนบ้าชใช่มันจะพอมาเลยลองอิใครมันจะพอเอาให้คนบ้าที่ใช่ จะทิ่งในน้ำทิ่งไปมันจะพอไหมใครมันจะพอเสร็จไหมต่คนนั้นมันต้องรู้จักนั่นอ่ะแล้วคนบ้านมันบหมดไปจะใต้กับเจ้ากับนายกับพ่อกับแม่เกี่ยวเก่เออตนนั้นอ่ะมันจะเป็นไปไรเลยมันไม่แปนมันไม่เป็นอย่างนั้นอือันนี้เราต้องอันนี้มันไอความคิดเนี่ยมันยังยังอยู่ลึกนะครับนะอันนี้ผมพูดให้ฟังมาผมพี่าราเห็นแล้วเนี่ยมันลึกกว่านั้น มันดึกว่ากที่สุดคนที่ยังไม่เห็นนี่มุ้ยเดี๋ยวเกินเลยนี่น้องซ้ำนะเห็นตัวมาถาำเพศจำนี้มันเปรียบเท่าไหร่ไม่เจอกันนั่ น, นอันนี้ผมก็เคยเจอแน่ทำไมไม่เคยเจอล่ะเขาก้ใจมานีา่ผมก็ปลอบก็เลยทำมะ เขาก็บ่นว่าพวกมจะตายอยู่แล้วพูดแต่ธรรมะแม่ตัวอย่างนั้นเนี่ยคนกู็อถึงแค่นั้นแหละคนบ้าจะทําไงมันหรอกเป็นหมาว่าจําไงมันก็เป็นอย่างนั้นจะแก้ตรงไหนตะคนมันเต็มที่มันแล้วอืมเราเจอตรงๆอย่างนั้นจะไปแก้ไปพื้นที่ไหนแล้วหนามันโจทย์นะท่านนะมันไม่มีที่ไฟงั้นหรอ อ ม, มันมีที่ไปอย่างผมว่าน่ะไปแสดงสีแสงให้คนตาบอดจุกเหมนะือนเลนไอ้นั่นสีขาวสีขาวเป็นยไงครับอืมเนี่ยเหมือนปูนขาวนี่เนี่ยปูนขาวมัเป็นยังไงครับ <c oughs> ปูนขาวมันคอมันท้องฟ้ามันทีเมฆ ข, ขาวๆเนะ่ยที่เมฆมันเป็นยังไงครับโดยตลอดตายเลย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 มันนี้ดีกว่าหรือมั้งเขาไล่ไปเรื่อยเรื่อยเรืยเจ้าอะไรมาแก้ไขมันมันจบเป็นนี่น่ะจุดมันเป็นนี่นะประทับปัญญาบุคคลกระจบแค่นั้นไม่มีอะไรที่จะสอนแล้วเขาเลิกกันเท่านั้นอืเหมือนกันแต่บางทีกรรมฐานหัวจะแตกเลยนักศึกษามันถามเนี่ยที่อยากจะให้มันค้นอยากจให้มันแก้ดุดดุดดุดดุดเสมอคนที่ถามเนี่ยนะ่ไอคนที่ถามเนี่ย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 ไม่เนื่อยก็อยู่กันนี่มาถามถึงตากันตาคุณเป็นอะไรบอดมาสี่ปีไหมมารักษาตากันดีกว่ารักษาได้ก็ได้รักษาอะไรแต่มันบอดไปเลยเออเท่า น, นั้นเรื่องของมันจะทําไงมาอันนี้โอ้ยผมมันคนคิดคนเดียวเนี่ยสารพัดอย่างครับเดี๋ยวเนี้เอาแต่สิ่งที่มันพอได้เท่านั้นมันก็เลยเขีนนั้น สิ่งที่มันไม่พอได้เอาไว้นั่นเธอจะอยังมันเธอของทิ้งมันมีนี่นะของเอามันมีเนี่ยของสอนง่ายมีสอนยากมีของท uh. ี่ไม่ได้สอน um, มันเป็นเองมันมีในโลกนี่มันเป็นอย่างนั้นแต่จะทํามันเป็นอย่างนั้นไมจะบังคับมันอะไรมันนะอืดูดีพระพระนิเินมาเนี่ยเขาไม่เคยสอนอะมากมายหรอกคนที่มันจะเป็นไม่ต้องสอนมากครับมันไปมองดูต้นไม้เหมือนกับนู่นนี่อ๋อต้นไม้ต้นนี้ต้นนี้คนเนาะ ต้นไม้ไอ้กิ่งมันแห้งออันนี้มันก็เหมือนคนเหมือนกันนะกิ่งนั้นมันก็แห้งเลยมันมีใจเองมันครับเครื่องมันมีอยู่ในนี่นะเราไม่ต้องสอนครับ น, น, นี่ีอุกติจันยูนี่เขาไปปล่อยไปตามป่าไม่ต้องสอ น, นอุกติจันยนูมันรู้มันเองไม่ต้องสอนมากไปนนัเราพูดกับคนอื่นถ้าเขานั่งฟังเนี่ยเขาตระหัดสอนเขาเขาฝึกเอง นิบติจันยูนั่นนะต้องอุปมาประมาณสักหน่อยหนึ่งปล่อยทิงไม่ได้ต้องเปรียบเทียบในฟังนิดหนึ่งเห็นได้ครับอืมจริงแต่ก่อนเราไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยวันนี้เราไปคิดจริงเราคิดไปเรือเ่อยๆไปเนยญาบุคคลนะต้องทูดทายกันหนังรอบสันหน่อยหนึ่งขูด้พวกขูดแจ่เข้าไปได้ครับเข้าไปก็ะเซได้ นะอย่างนักเรียนมันสักร้อยคนนะสักแปดสิบคนนะมันจะเป็นที่สุดท้ายเพราะว่าไม่จบนะเป็นคนทีแปดสิบแต่ก็กระทั่งมันเะมันยังอยู่ในท่านของเขาได้สอบได้อเลยอืมมันไม่ออกอยู่เขาอยู่นอนก็เอาพอไปได้ก็เเขาอืมนั่นไอ้คนอื่นนั่นนะไม่รู้เรื่องคนอื่น น, นั่นคนอื่นไม่รู้เรื่อง วันนี้จะทําอย่างนั้นนะครับวันนังมันก็ทําอย่างเก่าอยู่แล้วนะต่อไปจะทําอย่างไร น, นะครับอยู่มาวันนั้งก็ทําอยู่อย่างนั้นแนมะต่อมาอีกครัวจะทําอย่างีร น, นะครับขับด้วยนะขนะับทิ้งอไอคนนี้ก็ต้องปล่อยแล้วครับปล่อยให้เจ้าของเก่าครับ ให้ใจของเขากรรมโยนในใจของเาะให้กรรมะให้เขาทำของเขาซะหมดภาระเราอย่าไปยุ่งเลยให้กรรมของเขาของเขามันเกอย่างนั้นให้กรรมขซะให้จของเขาเขาดีกว่าเราอย่ามาแยงมนเลยม่ใ่ของเราที่จะต้องแยกคนนี้ต้องโยน่นของเขาเขาเบอมันจะนั่งเียบไปสงมันมันจะทำอะไรก็สังมันเถอะ มันจะเป็นยังไงก็ช่างมันเจอแล้วก็อยู่ใช่ใช่เราก็ยิ้มใช่ไหมมันของเขาเราส่งในเขาแล้วของเก่าเขาเราก็ให้เขาจะที่เรียนเขาเป็นมาเลยคนประเภทนี้มีทุกสังคมอือโอยอยู่ในนั้นแล้วแล้วมันจะเยอะขึ้นเยอะขึ้นด้วยมันเรียนขึ้นเยอะขึ้นเลยนะเออนนะท่านจะคุณคุณอย่าลืมหมายสิ่งที่มันจะโดนขึ้นจะ น, น้อยจะ น, น้อยจะน้อยจะน้อย สูงสุดเดี๋วมันจะเสื่อมลงธรรมดาสมมติอย่าไปเรื่องวันนี้กองทรายให้รถบรรทุกมาสิให้สาดตทรายให้มันแหลมเป็นยอดธาตุยอดเจดีกันติมันแหลมสูงสุดมันแล้วคุณยังไม่พอใจคุณจะสาดตรให้มันแหลมจนไปคนนังกับทางลงมาอย่างเขาศาสตร์พ้นก็มันไหลงมาศาสตร์พื้นแต่มันมีเท่านั้นกำลังมันมีเท่านั้นทรายเท่านั้นคิวมันจะสูงแค่นั้นสุดขีดมันแล้วเอาขึ้นอีกไม่ได้ คุณยังไป่พอใจของคุณอยู่คุณยิ่ตรองไปสาดตายมันสูบกันาั่นอยนิ้วไล้ตังน้อยน่ได้ไหมคุณก็เป็นเศษสาดตายอยู่นั่นแหละไม่ต้องไปที่ไหนหรอกอี่มันเป็นแค่นี้ครับทีุ่ดตันมี่อยู่นั้นถ้าเรารู้จักอย่างนี้เราก็หยุดซย่าจะไปสาดมันดิพอแล้วถึงแค่นั้นมันพอแล้วเรื่องมันจะเปลี่ยนไปเรื่องของโกคภูวันนี้มันจะเป็นไปของมันของมันก็ให้มันเป็นไปของมันจะทำไงมันนะ เออแก้ไขเท่าที่้นรพี่เราอย่าแก้ไขเกินพอดีของเราจริงเขาจะไปแก้ไขที่ไหนล่ะอืมอเกินเบื้องต้นทําการกระแปลไปทำไมแปลไปเปลี่ยนไปที่ทุดก็เสื่อมสลายไปนั่นคืออะไรนี่มันเป็นอย่างนี้เราเท่าที่ควรพี่ถ้าที่สอนไม่ได้แล้วจะไปควเนี่ยเนี่ยจะตกนรกด้วยกันอย่างลว อ, อืพอพอควรแล้วอืรู้อยังไงนี่จะเอาไงลองลองดูดิให้ท่านดันไปดูที่ไปแก้คนในโลกลองลองดูดิทฤษฎีศาสตร์ทายให้มันสูงกวัวประมาณมันทฤษฎีศาสตร์แต่จริงมันไหลยคุณจะศึกษาไม่ไี้เกิดประจุอะไรแล้วนอกจากวันทุกทายมาใหม่กองใหม่ซึ่งจะศาสตร์คุณ อันนี้เราก็ต้องคิดอย่างนี้ครับไม่ใช่ว่าเราเห็นแก่ตัวบางคนเขาเอามาใส่เนี่ยไ่อยากสอนใครเห็นแก่ตัวก็ทําให้เราใจมันสบายนี่ดูเราเห็นจิดแก่ตัวจริงๆริงดินี่ น, <c oughs> น่าด<ๆ>ีอันนี้มันเรื่องของคนพูดดูจิตเดี๋ยวเราอาศัยคนอื่นหรืออาศัยเรานี่เราเป็นอย่งงางไงจริงไหมถ้าเป็นยังไงจริงก็ถูกของเขาเนี่ยถ้าไม่เป็นอยังไงเขาก็พูดไม่ถูกแล้ว มันอยู่ที่เราลเลยถ้าเราพึ่งตัวเราจะไปพึ่งคนอื่นได้เลยเราทําดีอยู่เขา ม, ามีดีก็จะทําไงเนี่ยอย่าพูดเขาพอพูดเรื่องของเขาจะทําไงเนี่ยมันเรื่องของอย่างนี้ครับเราจะทําไงมันอตอไอ้ที่เราพิจารณาตัวเราเนี่ยเดี๋ยวนี่ยเพราะว่ามันเป็นอย่างไงเขาว่ามันผิดไอ้ที่เขาว่าแล้วสมังฟังมันผิดอย่างไงเนี่ย เออจริงวะเราทำกันต้องผิดอย่างว่าเลยอย่าไปียงเขายอมผิดด้วยนะเขาพูดถูกแล้วเรื่องไม่ดีสักาณะใดก็ช่างมันเถอะถ้าว่ามันผิดเราก็ผิดอย่างนั้นน <world> ั like so <verstehen> <originally> ่นนะเขาพูดเขาพูดถูกแล้วอย่าไปแย้งเขาเลยถ้าเราเขาถ้าเราทําชั่วเขาว่าเราทําชั่วมันถูกความผ่าเรียกอย่าไปโกรธเขาที่อืนถ้าเราทําชั่วเพราะว่าเราทําดีนั่นดิอย่าไปเชืออ จะไปลงดีกับเราสิมันดีตรงไหนนี่มันดูดอยู่ตรงมันดูดอยู่ที่จิตใจของเราเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนี้นะมันมันยากซะ ห, หน่อยหนึ่งยากแก่ผู้อมริตรซะหน่อยหนึ่งนะหมายความว่าหมายความว่าเป็นอย่นนะอ่ามีในกอนี่ในคอนะออื เจับมาไนงะไอคนนั้นไม่ได้ขโมยเลยไอคนนี้มันได้ขโมยจริงๆแต่เราเอามาสอบถามเราเป็นเจ้าหน้าที่ถามคุณเน่ขโมยไหมเปล่าครับคุณเนี่ยขโมยก็บอกว่าเปล่าเลถามคนนี้คุณเน่ขโมยไหมเปล่าครับนคนขโมยก็คนไม่ขโมยมันพูดคาเดียวกันแล้วจะตัดสินยังไงไหม น, นะนี่มันเป็นจริงจริง จ, งจงำความเลยนี่เออนะ คนนี้คนชื่อพูดคำเดียวกันคนเชื่อคนไม่เชื่อครับคำเดียวกันทำไงไหมคุณจะไปอาศัยคาเดนอยู่ห่ะนอกจากอาศัยเจ้าของนี่เท่านั้นเองแล้วเีจะตัดสินยังไงคนไม่ได้รัดจริงพวกเข า, า, าเขา้ามาเปล่าครับจริ ง, งนนคนนั้นไอ้คนนี้ไปขโมยจริงๆแต่ถามเขาเปล่ า, าเขาขไม่ได้ขโมยมันพูดคำเดียวกันเนี่ยจะทำไงไมันสืกยากเห็นไหม จะไปเอาความพูดในทีวันมีเป็นประมาณในได้ต้องซื้ออันนี้กูมันตันนั้นออืการคดงอในใจของคนมันเป็นอย่งางไงถ้าหากว่าเรารู้ตัวของเราเน่ยรู้ตัวของเราดีกว่าเดี๋ยวไปเอามากสิเอาเราเท่าที่เอาได้สิแต่ศาสตร์ทรายมันเกินขนาดมันไม่ได้หรอกพังดูมาหมดเนี่ยไปที่ไหน มันมีดีทลบมันมีดีบวกมันมีดีคูณมีดีีหารนะเราก็เรืยก็ทีมันเป็นจนะันวนเงินเราจะคูณไปเรื่อยไปเอาไว้ที่ไหนนะี่ยทำไมดูหลักสูตรเลขเก็ดีครับมันมีดีคูณดีทรวมดีทลบดีทแบ่งถ้าประชาชนเราทําตามเนี้ยควรแบ่งก็แบ่ง ควรคูนกัวคูณ น, นควรลบกัวลบขึ้นอย่างนี้มันก็เป็นธรรมะสิะเย็นยังมันคูนต่พืดพอใส่ตรงไหนก็ไม่พอไม่พอมันคูนแต่พืชเลยนะเมื่อคูนแต่พืดยังไงเนี่ยไอ้ที่มันถูกรบนะมันไม่มีจะกินเลยนียมันจะขอขอใหายมันหายมันก็ขโมยเอาตอนั้นเนี่นีน่มีทำนองมันจะเป็นอย่างนี้ ผมว่าร่อนครับในร่องอนะอืมใช่แล้ให้ผมไปพูดผิดนผมก็ไม่สนใจเลยมันไม่เกิดประโยชน์เลยไา่ได้ครับีมมกมาตั้งอยู่ตรงนี้ใครพ้นใจมาศึกษาตรงนี้อย่าใเนาแต่กับผมไม่เนสะียงอธรรมะอื ม, อมโรคระบาดมันเกิดถึงบ้านนี้มนะหมอก็จะทาไง น, นะ ที่มันกุ้มอะไรก็ไม่ต้องการนะครโน่นจะไปตัดตรงโน่นฉีดยาตรงนันกันตรงโน่นที่มันเป็นก็ใมันเป็นแล้วก่อนอย่างเขาหลับไฟอย่งไฟมันไหม้บ้านหนึ่งเนี่ยมันไหม้บ้านหลังนี้อยู่แล้วเนี่ยก็ต้องไปตัดโน่นก่อนไอ้ที่มันไหม้แล้วอย่าไปอย่าไปทําอะไรมันมากเลยมันไหม้แล้วนะไอ้สิ่งที่มันเหลือมันมากกว่านี้มันมีประโยชน์กว่านี้บีทีเขาหลับไฟระดับเดียวนั้น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 ถ้าคนมีนิสยนัยมีปัจจัยมันจะมาฟังแล้วมันจะมามองเรียกว่าคนจะนิดนั้นครับมันปนเปกันไปนะครับทุกครั้งที่ธรรมะมันเกิดขึ้นที่ใดก็เป็นประโยชน์กับโลกอืแล้วก็คนดีๆก็ชอบกันนะไอ้คนชั่วมันก็จะมาควางมันจะเป็นอยู่ยางั้ น, น, นอ่ะออันนี้แล้วกหกโลกมันก็เป็นอย่างนั้น ทีเดียวก็พูดดอย่างอย่างของท่านท่านไม่ชอบอันนั้นแต่โลกเขาว่ามันเป็นธรรมะดีแต่เราไม่เห็นกับเขาเนี่ยฉันไม่ชอบเราก็มันมีสถาในธรรมะนะพอเราไม่ชอบเนี่ยมันจะเป็นธรรมะฉันในรูปทีแต่ฉันไม่ชอบแต่คนทางเมืองเขาชอบธรรมะอย่างนั้นเขาเอากันอยู่เราก็เห็นอยู่เขาเอากันอยู่แต่เราก็ไม่มีสถา เพราะเราไม่ชอบอย่างนั้นคนในคนในในในยุคไหนประชันกันเถอครับมันตน้องมีอย่างนี้มันมีเครื่องวัดขาดีกันหมดทุกคนแล้ยวก็ใครจะช่วยถ้าไม่มีใครช่วยจะมีปัญหามไหมถ้าไม่มีปัญหาจะได้จกยปัญหาไหมไม่แก้ปัญหาจะมีปัญญาไหม ผมคิดถึงอยู่อยู่วัดประโคงผมคิดถึงเรื่องนี้ผมไม่อยู่ในป่าวัดประโคนนะเป็นวัดเป็นสถานที่เองห่วงห้ามหากินของเขาผมก็มาอยู่ตรงนั้นคิดว่าเออเรามาอยู่ตรงนี้ให้อาภายัยศักดนะเดี๋ยวผู้คนจะอยู่กันสบายจม่อยู่ปุ๊บกลัคิดนะผมพออยู่พุกบก็ไปเลยแล้วอ้าวเรานึกว่าดีมันไม่ดีสำ่รับเรา โอ้ท่านมาอยู่ทําไมที่นี่ท่านมารักษาป่าทําไมท่านบวชท่านรักษาต้นไม้หรือท่านท่านมารักษาศีลบวชละมาเรียกท่านมาอยู่ยั้ไมันหวงต้นไม้ไปทําไมผมบอกฟังสัตว์สาลาสิงป์กระแตกระลอกมันก็มีสงสารมันมันมายิงเออโยมจะทำเลยคุณอะไรอย่างมาเหนือกัดป่าไม่ใช่หรือเนี่ยอันนี้มันจะเรื่องของพระแร้ว นะ ท, ทำไงเออจะทําไงอ๋อผมเอาอยู่มันนี่จนมันหมดฟองรูต่งางๆตรงนี้วัดระพงเนี่ยไม่ตรงนี้มันจะสร้างทกำแพงขึ้นให้มันรอบตรงนี้ละมันจะเป็นยังไงไหมอยู่มันกวนตรตลอดเวลาครับเนี่ยทั้งเรามุ่งดีตรงนั้นย่างอีกชนิดย่อยๆไปคนนี้ ก, กระแตกับคือนัขถ้าเห็นน่ยมันอาภาษกันกับมันวิ่งกัดเลย เอผมก็ทําอยู่ในหน้ากระแจกมาหลายมันพุ้นมันเครื่องประมาณสุนัขก็มามันก็มันก็มาตะคุกกระแจกทิ้งผมก็ไม่สบายเลยสุนัขกไม่ต้องเห็มันขวบวัดดีก่วนแล้วมันตัดกระแจกเราเนอะคิดอยู่เงี้ยมันกะขวงตลอดเวลาเอมื่เห็นตะกระแจตรงนั้นก็ตะคุกตายตัดตายทั้งคนเลยสบายใจน่สงสารเนี่ย ทำไปทำไปเอออันนี้เราคิดคิดมาหลายเดือนเหนกันด้วยนะคิดคิดหลาเดี่ยวมันทำมาชาติของมันนะถ้าสุนัขนี้กระแจมันโงู้งถ้าสุนัขอยู่กระแจมันฉลาดเหนะหมนะลองลองดูสอมันทําให้มันมีปัญญาขึ้นมันทํามีความระวังขึ้นอไอความคิดมันใจมันนีมันดีนะ มันเป็นคู่เพียงก็ไอการที่ถูกถ้าทำนี่ผิดจะถูกหนอะหงุดคิดเราทําตรงนี้มันไม่ช่างไม้ตัดตัวนี้ช่านหรี่ยาวเนาะมันต้องมาวัดกันครับอัญญามางคนมีอัญชันเป็นอาจารย์อัญชันตัวมียาวเป็นอาจารย์นี่มันคู่กันไปอย่างนี้อ๋อโลกมันเอย่างีเองนะทุกวันในพระสุรีปล่อยมันจะแตกกับสุดลักมันกวนกันอย่างไรก็ตามทำไมขาดมัน ขนาดนี่ก็จะยกระจายก็ไม่หมดครับมันฉลาดตัวเก่าเลยยิ่งมีกระจายฉลาดทั้งนั้นน้อยมันก็ฉลาดอย่างนี้เนี่ยมันเป็นของเราเนาะอืมเราจะจะห้ามสื่นักเลยการกระจายห้ามให้คนมาว่าพวกเขาเห็นอย่างนั้นเขาก็จงว่าของเขาอย่างนั้นเออผมจิตตั้งใจเออต้องอยู่วันนี้แน่นอนตรงนี้ไม่ห น, นีมันทต้องอยู่ตรงนี้ละ มันควนอยู่ตรงนี้นะมันจะไม่ควรอยู่ตรงนี้นะ่ะเอทําอยู่ตรงนั้นเนะี่ยวัดประคงอยู่ตรงนี้บางทีป่วยไข้คนจะตายมาตรกสีน่นี้วัดอยู่คนเดียวเข้อยู่นะั่นเด็ดยังไงน ะ, ะเพราะว่าเราจะเอาปฝาเราจะเอาจริงไหมอยู่ตรงนั้นให้มันเห็นเนะี่ยถ้าเรามีกําลังมากไปคนนั่นกําลังมันก่ำน้อยทําไมมันน้อยเพราะเรามีกําลังมากกว่ามันก็น้อยเอง ถึงมันมีกาลังมีงอย่างต่อมันก็น้อยพอเรามันมากขึ้นเรื่งนี้จะคอยกันอยู่เป็นเรื่องธรรมดาครับไม่ต้องสนใจเรืมองนี้มกหกมาเอาสิ่งที่เราพอทําได้นะไม่ต้องไม่ต้องทํำให้มันทุกข์ครับถ้าทําใจใทุกข์อะไรท่านผิดเลยผมก็ผิดอเพราะปฏิบัติไม่ให้มีทุกข์ทำไมทุกขก์ตัดใจเราได้นี่เรามันผิดอยู่แล้ว ไอ้คนนั่นพูดไม่ฟังเรากกเสียใจเป็นทุกข์เราผิดนี่ครับเราปฏิบัติเพื่อไงเอาทุกข์ให้ทุกข์เกิดได้ทําไมทําไมไม่รู้อันนั้นอ่ะเรามันผิดเยอะครับลองลอ ง, ลอ ง, ลอ ง, ลงอดูสิอย่าไปคั่วหาพัญญาผ่านไปดูตรงนี้ครับอรชนะามันตรงไหนเระลองลองลดูสิครับตรงนี้อ่ะลองลองลดูสิให้ไม่ยากแก่อย่ายงคนที่มีเมตตาศาสตร์เอาสิ ปลาต้มนิพานสัตว์ต้มีิ่าอย่าทำไงนะนี่ตานี่ยนะนถิ่นจะไปขายของตลาดนะเอาสัตว์เล็กๆหรื อ, อไม่ไปขายของตลาดสอไม่วบาใจมันจะหาเงินมาซื้อของในตลาดมันไปปล่อยมดตาดนี่พอไหมจะหาเงินมาพอไหมไปซื้อในตลาดจัดเล็กแัดไม่พอจับมามาฆ่ากันเนะี่ยเราสงสารหนึง่งก็อุตส่าห์ไปหาเงินมาซื้อสัตว์ไปปล่อยให้มันหมดตลาด ตลาดเมืองอุบลนี่หมดแล้วตลาดโคราชตลาดที่ไหนไปซื้อไ้หมดมันจะไปไหวไหมเราเมตตาเจนนี่คือเมตตาตัวหนีแล้วนะ้่เออถ้าเรามีเมตตาก็่อให้ตำาะจเราก็พูดของเราไปนะ